วิหาระการะสิกขาบทเพราะการสร้างวิหารใหญ่เป็นปัจจัยภิกษุต้องอาบัตส3อย่างคือ 1. กํากำลังใช้ให้สร้างต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. ยังเหลืออิดอีกก้อนหนึ่งจึงจะเสร็จต้องอาบัตทุนลใจ 3. อิดก้อนสุดท้ายเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ